เขาทำอาเทศนาแผ่นที่7 4็ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่ามรดกธรรมขององค์หลวงตาวันนี้เป็นวันที่ห มกราคมพุทธศักราช2558สามสี่ห้าวันผ่านมารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้ามาในถิ่นอำเภอนายยงของเราเนี่ครับครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขึ้นไปชมพระภูก้อนรถติดจากภูกอนมาถึงหน้าโรงพยาบาลเกื <c oughs> อบเป็นสิบกิโลนะดูสิบาคนให้ความสนใจอยากจะดูปากต่อปากคำต่อคำอยากจะดูพระนอนภูก้อน ตาไม่จริงก็สวยเป็นสถานที่เหมาะสมสวยงาม <c oughs> แต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวละ่ะต่อไปแต่ถึงยังไงก็ที่สถานที่ก็ยังกว้างอยู่คำว่าทาวัาพระที่ต้องการความสงบหลีกเล้นก็ยังมีสถานที่เพราะมันละมันที่มัน หลายร้อยไร่อาจจะถึงสามพันตรงที่ภูก้อนเป็นพุทธอุทยานแต่วัดของเรานี่ก็พวกคนทั้งหลายก็ทะลักลงมาเหมือนกันแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่ออายุมากแล้วรับเป็นเวลารับตอนเช้าเสร็จแล้วก่อน เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ขึ้นไปขอพักพ่อนโน่นนะบ่ายสองถ้ามีใครจะมาเนี่ควรมาพบมาเจอกันจากนั้นก็พบกันช่ว์ระยะหนึ่งจากนั้นก็แยกย้ายกันถ้าจะพบกันทั้งวันตลอดทั้งวันน่ะไม่ไหวคุณกลุ่มนี้มากลุ่มนั่นมากลุ่มนี้มาใช่กลุ่มนี้ไปแล้วกลุ่มนั้นมาอีก แต่หลวงพ่อหลวงตานะนั่งอยู่ตลอดสู้กับแขกคนจะไหวเหรอเพราะนั้นหลวงตามหาบัวนะท่านจึงหลบนี้จากวัดออกไปพักผ่อนแต่ละวันนั้นก็คือสู้คนไม่ไหวสรุปแล้วคล่นมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดา แต่ให้มันถูกใจกับทุกคนคงจะยากเหมือนกันเพราะกลุ่มนี่มาใครก็อยากจะพบว่าเป็นครูบาอาจารย์เก่าแก่ของตนเองเคยรู้จักมกคุณมาแล้วอยากจะได้พบเหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่ า, า, าร่างกายสังขารร่างกายสังขารครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยุดโสมลงไปเรื่อย จะให้เหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้ลูกหลานแต่หลวงพ่อนี่ยก็เถอะนะปีนี้ก็เจ็ดสิบคนเจ็ดสิบนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนร่างกายรู้สึกว่าุดโจมลงมากๆเหมือนกันนะ <c oughs> วันานั้นหลวงพ่อเอง <c oughs> มีอะไร จะถ่ายทอดวิชาวิชาความรู้อะไรให้กับลูกกับปานรีบถ่ายทอดซะอีกสักวันหนึ่งไม่นานนะข้างหน้านีหลวงพ่ อ, อ, อ ก, ก็หยุดพูดแล้วแต่หลวงตาเนี่ยนะว่าท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาบาร ม, มีบุญหนักสักใหญ่ในเมื่อท่าน เ, เทศปโปรดศรัทธาญาติโยม ท่านว่าจะหยุดปีสนี2540ต้นต้น30กว่าเริ่มจะหยุดอบรมพระ30กว่าท่านหยุดอบรมพระนะให้พวกเราฟังในเอ็มีสามของท่านจากนั้นก็นท่านอบรมศรัทธาญาโยมตอนเช้าศรัทธาญาโยมมาท่านก็เทศอบรมตอนเช้า พอต่อมานะีท่านก็จะเริ่มหยุดดิละคิดว่าน่าจะพอนะจากนั้นมีบ้านเมืองประสบภัยเศรษฐกิจเหยียบย่ำประเทศชาติเกือบเปตัวไม่รอดหลวงตาเลยกระโดดออกไปช่วยหาทองคำเข้าคลังหลวงช่วงนี้ลหลวงตาแสดงธรรมอายุแปดสิบกว่า เกือบ90ตลอดตลออายุ8ป90ิไม่ใช่ธรรมดานะ น, านั่นท่านนึกดูแล้วแต่บางคนก็โว้ยลงตาไม่ดูสังขารตัวเองแต่ลงตาท่านรู้ใครจะรู้ยิ่งกว่าท่านเนี่ยท่านไหวท่านก็ไหวจริงจริงนจากนั้นท่านก็ได้ทองคำเพื่อใคร เพื่อประเทศชาติท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยก่อนจะจากก่อนที่ท่านจะจากไปท่านก็ไว้ลวดลายไว้เอาคุณงามความดีมอบให้กับชาติบ้านเมืองไม่ได้มันไม่เหมือนบางคนบางคนกินประเทศชาติบ้านเมืองย่อยยับก็จะกระโดดหนี แต่ลวงตาในท่านเอาคุณงามความดีให้กับประเทศชาติจะก่อนจนที่ประทับใจกับประเทศชาติลูกหลานจะก่อนท่านจึงค่อยจตินิรพานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อท่านจุตินิรพานไปแล้วลูกหลานทั้งหลายผู้ศิษยาณุศิษย์ทั้งหลายยังน้อมรับให้ความเคารพ นับถือว่าหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆอั น, นั่นก็คือฝ่ายโลกามิตรหรือว่าอามิตรทางข้างนอกส่วนธรรมะที่ท่านให้กับพี่น้องประชาชนก็มากมายมหาศาลที่หลวงพ่อได้ให้ท่านผอ อ, อ, อ, ออนันต์ครับ คณะที่จัดทาเป็นฮาร์ดติดก้อนหนึ่งประมาณ6 0พ0กว่าบาทไม่ใช่ฮาร์ดติดเล็กนะตั้ง40กว่าก้อนแต่คิดเป็นเงินออกมาก็เกือบ3 0 0แสองแสนเก้าแล้วยังมีธรรมเทศนาของหลวงตาอีกหลายหมื่นกันเป็นหมื่นหมื่นกว่ากันเกือบสอง0มื่นกัน ท่านหลวงพ่อยังไม่ผิดนะอันนี้คือเสียงไฟเสียงอันหนึ่งไฟไฟภาพกับไฟเฉียงไฟเสียงที่เป็นก้อนมันใช้เปืองหน่อยแต่ไฟเสียงนี่ใช้ไม่มากเพราะมั น, มนจุกเข้าแต่เสียงแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อยังลําลึกถึงธรรมเทศนาขององค์หลวงตา แต่พูดกับคณะสิทธิานุสิทธิกลุ่มเก่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเก่าใครก็เห็นด้วยว่าน่าน่าจะเก็บไว้ธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเก็บไว้ทั้งหมดที่ท่านหลวงตาพูดเรื่องอะไรจากนั้นเมื่อเราจะถอดออกมาหรือเราจะเอานำมาให้เกิดประโยชน์ ต, ต่อชุมชนต่อสาธารณชนเรายังค่อยลําเลียงออกมา ธรรมเทศนาและคําพูดของหลวงตาแต่ละคําที่ท่านพูดออกไปมีประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มหนึ่งแต่อาจจะเงิกระทบกระเทือนต่อชุมชนกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าจะภาพรวมแล้วก็มีประโยชน์เป็นแนวความคิดสําหรับคนอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าเพราะท่านเป็นธรรมใจของท่านเป็นธรรม คำพูดของท่านก็เป็นธรรมอักกับกิริยาของท่านการกระทําของท่านก็เป็นธรรมเพราะท่านเป็นธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าว่าธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนี่ยควรจะเก็บไว้ทั้งหมดเออก็เลยทําออกมาของหลวงพ่อเนี่ยเอาออกมาถ่ายทอดออกมาแต่หลวงพ่อยังคิดมากกว่านั้นอีก เพราะว่าถ้าเราจะเก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตากแห่งเดียวแหล่งเดียวถ้าหากว่ามีไฟไหม้อะไรเกิดขึ้นนะเราจะทําพูดไม่ได้อันนี้คือมันเกิดได้ทั้งนั้นถ้ามันมีไฟไหม้ที่วัดของเราก็ยังอยู่เหลือที่บ้านตาดทําไหม้ที่บ้านตากก็ยังเหลือที่วัดเราและเรายังขยายไปอีกวัดไหนครูบาอาจารย์ มีศักยภาพที่จะเก็บหาติ๊ดไว้เพล่อเผลอนเรายัางจะเอาไปไว้ที่กรุงเทพทอะไรที่เก็บจุดหมายเหตุจะเก็บไว้ถึงจุดนั้นอีกเพราะว่าหลวงพ่อเองมั่นใจว่าธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยมีประโยชน์เกิดประโยชน์อย่างมาก ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปภายภาคหน้าถ้าผู้ชนใจไยธรรมะนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองยังคิดไม่ใช่ไม่ใช่คิดแต่ไวเก็บไว้แต่หลวงพ่อแห่งเดียวนะอย่างหลวงวัดหลวงปู่บุญมีลูกศิษย์ลูกหามีแหล่งเก็บไหมเราอาจจะอัดไฟภาพไฟเสียง แล้วก็ไฟธรรมเทศน า, าไปไว้อีกหลวงปู่ลีมีไหมหรือหลวงปู่จันเรียนหลวงท่านหลวงพ่อวันชยัยหลวงพ่อบุญมีที่เป็นสิทธ์ยาวนิสิ์ขององค์หลวงตาที่วัดใหญ่ๆควรจะเก็บไว้หลายๆวัดเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะในเมื่อเก็บไว้แล้วกเนะเ็เราจะออกเอานำออกมาใช้ อย่างหลวงพ่อเนะ่ยหลวงพ่ อ, อยังคิดอยู่ไว้าจะจะอัดไว้สักสามชุดจีโดยช้ําปช่วยซ้ำไปชุดหนึ่งเก็บไว้เป็นครังชุดที่สองสำรองชุดที่สามเนี่ยออกเอาออกมาใช้หน้างานเอามาออกมาถอดมาใช้เอามาทํำมเทศนาทํามันสำลุดเอาตัวที่สองออกมาทดแทนไว้อีกอ ตัวที่สามไม่ไปว่าเป็นครังไว้เนี่ยไม่ให้แตะต้องจาเป็นจริงๆมันจะค่อยเอาไ ป, ไปเอาตัวนั้นมาใช้นี่แหละหลวงพ่อยังคิดถึงขนาดนั้นแหละแต่ว่าธรรมเทศนาอีกทีถ้าเป็นไปได้เทศทุกกันของหลวงตาเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนังสือถอดถอดออกมาจากธรรมเทศนาของหลวงตาอีกถ้าหาวาลูกหลานผู้ใด ไฟธรรมะไฟการศึกษาออควรจะถอดออกมาอันนี้ก็มีผู้เห็นด้วยเหมือนกันเห็นด้วยเ อ, อที่จะถอดออกมาถ้าว่ามีค่าใช้จ่ายยังไงออขอเ อ, อมีผู้ที่จะช่วยอีกเหมือนกันในจุดนี้คือธรรมเทศนาขององค์หลวงตานะออถ้าถอดออกมาเป็นหนังสือแล้วมันจะอยู่ได้นานกว่าเพราะว่าอยู่ในเทป ยู่ในฮาร์ดดิสตเนี่ยไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าหาว่าอยู่ในตัวหนังสือแล้วเราเก็บหนังสือเอาไว้ตัวหนังสือเอาไว้จากนั้นเราจะไม่มาค่อยมาเปลี่ยนมาขัดเกลวภาษ า, าให้เข้ากับยุคสมัยก็จะเกิดประโยชน์ในธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะหลวงตาในท่านเทศไม่ใช่เทศเรื่องธรรมดาเนะีเรื่องมรรคผลเลยนะ เรื่องเอาจิตเอาใจเรื่องชําระใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจริงๆทั้งพวกเราได้ศึกษาแล้วเป็นธรรมะที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันพูดอย่างนั้นได้ท่านเป็นทางพระปริยัติท่านได้เป็นมหาบารีของท่านท่านก็แม่นยำนะแล้วก็ภาคปฏิบัติท่านเป็นลูกจิ์ของหลวงปู่มัน่นวิธีเดินมั้งทำยังไงเมื่อวันแรกเข้าไปหาหลวงปู่มัน่น ท่านก็พูดให้ฟังฮะหลวงปู่มั่นเดินอยู่กรมในที่มืดเพราะไม่มีไฟฟ้านะเาหลวงตามหาบัวก็เข้าไปตอนค่ำมืด เ, เข้าไปกราบองหลวงปู่มัน่นใครมาผมครับผมเป็นใครว่าผมนะ่ะผมยืนในหัวใช่ไหมผมมหาบัวครับเออก็ต้องบอกสิ หลวงตามหาบวกอือเพียงแค่นี้ก็จะเทือนแล้วคําว่าผมผมนละยเป็นใครใช่ไหมเนียไม่ได้รายงานเพรไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะี่ยหลวงปู่มั่นพูดอจากนั้นท่านก็บอกมหาการที่ท่านเข้ามาศึกษาธรรมะท่านได้เป็นมหาตํำรับตาราที่ท่านในเรียนมานะ่ะทั้งหมดปรยิยญาของท่านนะให้เอาเข้าไว้ในตู้ในหีบซะก่อนนะ เอาเข้าในตู้ซะ ก, ก่อนปิดไว้ก่อนอย่านําเอาออกมาใช้ถ้านำมาออกมาใช้มันจะสับสนมันจะไม่ไปถึงไหนให้ภาวนาพุโทโธเท่านั้นนะให้วางไว้ซะก่อนจํานวนนั้นนะให้เอาพุโทโธอย่างเดียวนะนี่แหละอันนี้ก็คือคําสอนของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนองค์หลวงตาจากนั้นหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนให้เดิน สมรรถะอย่างไรให้ทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจถามว่ามหาเป็นไงสงบดีไหมครับสงบดีครับสงบทั้งวันทั้งคืนะจะเอาเข้าเวลาไหนก็ได้สมาธิสงบมากครับเมื่อสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญานะเดินวิปัสสนาต่อนะอย่าให้มันสงบมันสงบนะั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก ต้องเดินทางวิปัสสนาพอมาเป็นไงมันออกไหมมันไม่ออกครับมันไม่ยอมออกเลยนั่นแหละจะให้มันอยู่ทำไมมันจะติดอยู่ในสมาธินั่นนะถ้ามันอยู่ในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฝันนั่นเองมมนจะมีอะไรบังคับให้มันออกก็ใจไหมหลวงตามหมาบัวก็โอ้หขู่แล้ว บ, บังคับให้ออก พอจิตใจมันออกทางวิปัสนาอ๋ อ, อมันออกเตลิดเปิดเปิงเหมือนออกจนจนนอนไม่ได้นอนไม่หลับมันเห็นมันเห็นคุณค่าเหมือนกับคนตะก่อนนอนอยู่ในห้องพอออกไปค้าขายเห็นเงินใส่กระเป๋าโอ้อันนี้นหะคือเราจะซื้ออะไรจะเอาหน่วยความสะดวกอะไรก็ได้เจ้าน้าจะเห็นผลในการออกทางวิปัสนาพิจารณาจนได้เตลิดเปิดเปิงเตลึงเปิงเปิดจนนอนไม่หลับเข้าไปกาดหลงปูมั่นดี เป็นไงก็ อ, อการพรแม่กุจชา์มันออกนะออกจนนอนไม่ได้นอนไม่หลับมันพิจารณามันคุยเขียขุดค้นอยู่ทั้งคืนเลยมันเห็นผลในการเดินวิปัสสนาลงตามมงปู่หมันเอ้ยมันเกินไปแล้วนั่นอ่ะมันต้องบังคับให้เข้าสมาธิเข้าใจไหม นั่นแหละมันบ้าสัางขารมันหลงสังขารนะ่ะตัวนั้นน่ะมันหลงสังขารก็ใช่ไหมมันบ้าสัางขารให้กลับเข้ามาหาสมาธิบังคับให้ได้นะ อ, อจนบังคับเข้ามาก็จะไม่ได้ทุกบงปูมันขนาดเลยต้องเข้าให้ได้สมาธิเนี่ย อ, อกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้ า, ออ บ, าบับางคับก็ใช่ไหมหลวงตาก็เลยบังคับเข้ า, มาสมาธิได้ จึงหลวงตาท่านจึงเขียนเป็นแนวทางออกมาว่าออการที่เข้าอยู่สมาธิตลอดไม่เกิดประโยชน์เพราะเหมือนกับเราเขาไปนอนในห้องแอร์แล้วก็ไม่ได้ทําการทำงานอะไรในเมื่อเราคิดบัให้ออกสมาธิเดินทางวิปัสสนาออกจนเกินไปทำงานทั้งวีทั้งวันจนไม่มีเวลาพักผ่อนผลได้โซ่กันนั่นนหะ เมื่อยล้าขนาดไหนก็ทำอยู่งั้นผลที่สุดมันจะเป็นการเป็นงานได้ไหมต้องกลับมารับทานอาหารพักผ่อนนอนพอพักผ่อนนอนเต็มที่แล้วก็อิ่มพอสมควรแล้วออกไปทำงานในเมื่อทำงานเสร็จแล้วเหนื่อยกลับมาพักผ่อนให้รู้จักต่างกลํามต่างวาระในขณะที่ออกไปทำงานอย่าไปหลับ เวลาไปขับรถเนี่ยเป็นหลับคาวพวง ม, <c oughs> มาลัยนั่นแหละเป็นหลับคาพวงมาลัยนั่นแหละอันตรายเวลาเราไปขับรถเราไปทํางานแล้วก็คือทํางานตั้งใจทํางานมีสติสัมปชัญญะในการทํางานในเมื่อทํางานเสร็จแล้วเรากลับเข้ามามาพักผ่อนปล่อยวางงานไว้ก่อนอจากนั้นกเราเมื่อออกจากการพักผ่อนเต็มที่แล้วได้พอสมควรแล้วออกไปทํางานอีก แต่พวกเราโดยมากนะพอมาพักผ่อนมันเตลิดเปิดเปิงแล้วมันติดมันติดติดติ ด, ตดในการพักผ่อนจะมากกว่าเนะีนี่แหละวิธีแนวทางองหลวงตาที่ท่านบอกกล่าวให้กับสิทธิญนุสิตเป็นแนวทาง เ, าเป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละคือธรรมเทศนาหรือว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมขององหลวงตามีที่ไปมีที่มา เพราะนั้นธรรมเทศนาของหลวงตาหาฟังได้ยากพูดอย่างนั้นได้ไม่มีใครที่จะแสดงหรือพูดอย่างนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราจะรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมองเห็นคุณค่าธรรมเทศนาหรือหนังสือขององค์หลวงตานี่เป็นมีมีคุณค่ามหาศาลเพราะนั้นสมควรยิ่งพวกเราควรจะเก็บ ธนุถนอมให้เป็นสมบัติผู้ที่สนใจไฝ่ธรรมะต่อไปภายภาคหน้าอนุชนรุ่นหลังจะได้เดินแนวแถวเดินตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มรรคผลนิพพานก็จะมีอยู่เป็นอนันตการเพราะยังผู้มีผู้ปฏิบัติตามเดินตามแนวแถวที่ท่านแนะนำบอกกล่าวเอาไว้เพราะนั้นยภาวาการ ศึกษาและการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่มีเป็นมักเป็นผลครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตร่องปฏิบัติที่ได้รับผลมาแล้วนั่นแหละพวกเราในฐานะศิษยานุศิษฐ์ทั้งหลายที่เป็นทุกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายควรจะสดใจใส่ใจแล้วก็นา มากันกลองไตรตองอย่าไปเฮ่อคนนั้นพูดกัดสินอย่างนั้นอภินีหารอย่างนี้เข้าทรงอย่างนั้นมันมีมากมายทุกวันนี่ที่จะถลําถลายเข้ามาพวกเราในฐานะสิทธิ์เรื่าแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ศึกษาให้ดีนะให้ศึกษาให้ดี นี่แหละสายของเราเนี่ยหลวงพ่อเองมั่นใจเราคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือสายพระหันนะหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านล้มหายตายจากไปกันนะอธิธฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้ใหพวกเราได้เห็นตําตาตําใจอันนี้คือพระธาตุของพระหันนะเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลียญทั้งหลายควรจะตายใจนะหลวงพ่อว่าดนะตอนนี้ไป ประสงค์อนุโมทนาให้พรอด